ขอตายครับยังไงก็ต้องบอก 1 ข้อ 2 ข้อเรื่องการรับอายุการหรือหรือชื่อต่างๆเหล่านี้ครับแล้วอาจารย์ใฝ่จัดได้ถึงที่ตลอดในวันพุธ ผมจะยืนยันในเรื่องการบรรยายวิชากร 6-7 ประมาณ 6-7 6, 6, 6 ชั่วโมง<อ> ปรากฏจัดทําเกี่ยวกับรายการแผ่นดินก็ หลังจากนั้นไปผมจะมาแนะนําวิชาเฉพาะตําแหน่งของการทุกตําแหน่งครับผมวิธีการอ่านสื่อวิชาเฉพาะตําแหน่งเป็นอย่างไรนอกเหนือจากนั้นกลับไปบ้านผมก็อยากให้ท่านใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นั่นคือเตรียมตัวอ่านสื่อในการสอบใครที่เป็น อาจจะปาร์ตเนอร์ประถมศึกษาก็ง่ายนิดนึงนะครับแล้วใครที่สอนประจําชั้นระดับประถมศึกษาครับช่วงเช้าให้การวาด อยู่ในจํานวนคนหมู่มากทํางาน Facebook ถ้าไปที่สอนอีจะมี Facebook เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ว่า พอก็เรียกประเทือนครับ Facebook เพราะ Facebook มันอะไรก็เรียกว่ามันมีผลดีผลเสียเดี๋ยวนี้ Facebook ของอาจารย์ยังไม่เปิดรับสมัครเพื่อน Facebook ท่านผมเมื่อวานนี้ เท่านั้นแหละครับไปบางบทมันหลับๆมีบางคนที่เขาสนใจหน่อยกับ แต่อันนี้ก็แต่เฟซบุ๊กนี่อันตรายทําให้จิตใจของเรามันเผหะได้เออช้ากับหวานหยอดจ๊ะอีกจ๊ะๆอยู่นั่นแหละ เพราะภาษาไทยนะเป็นภาษาอะไรนิพนธ์กับต้องจดจําแล้วก็อีกอย่างเป็นวิชาทักษะต้องฝึกปฏิบัติแล้วอย่าง ตัดสินตรงนั้นๆดูตัวอย่างมากๆครับถ้าเป็นทั่วเรียนประยุกต์ค่ะครับพจนานุกรมหลายๆคนที่ เขาไม่ออกครับผมออกพอไม่ออกองค์กรประคองสนธิกิจก็ 1 หัวข้อ evet. 2 หัวข้อข้อนั้นคือการใช้ภาษาไทยและความเข้า <c fasting. iliation>. <c ười> <c ười> ท่านเปิดเอกสารโจทย์สารบัญขึ้นมาก่อนครับจากข้อ 1 ถึง 12 เท่านั้นเขียนนะครับความเข้าใจภาษาก็คะแนนออกเป็นครึ่งๆกันเลยครับ ไปสอบแต่ละครั้งน่ะมันมีแต่บทความให้แน่นอนครับนี่คือความเข้าใจภาษาไทยเค้าไม่ขึ้น ท่านจะจบปริญญาตรีภาษาไทยจบปริญญาโทภาษาไทยแล้ว 2 โดยที่ว่าผมได้เคย ส่วนสำนวนสุภาษิตคำอําเภอคุณดินคําเรียนนี้ความอย่างไรนะครับตัวบทข้อคือการเรียงความและความเข้าใจครู สอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหรือโรงเรียนโรงเรียนมัธยมนครปฐมวิทยาคารทุกตัวสวัสดิ์แล้วก็ถ้ามีความทนานเรื่องนี้ถึงมาเพื่อในนาทีผมผู้บอกให้ท่าน คือเอดรัสสารครับข้างนั้น 153 นะครับประโยคบทพร้อม เยอะเพราะก็มีวิธีการดูว่ามันถูกต้องยังไง อีกอย่างหนึ่งประโยคจะต้องมีความชัดเจนคือจะต้องถื่อ 3 กระชับกระทัดรัดคําว่า ต่อมามันจะมีภาษาต่างประเทศสำเนียงต่างประเทศเข้ามาคำก็จะพุ่ม 4 สลักสลวยนะฮะปองสลัก อ่าสลักสะลวยเองนะคะตรงนี้เช่นคําคํามักความดูยังเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติ 2 การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาไทยกรรมประธานกริยาส่วนขยายอย่างนี้นะคะจะหรือในด้านการใช้ลักษณะนามลักษณะนามอย่างใครเนี่ยจะเป็นฟองจะหรือใช้ยอดเนี่ยมัน การใช้ผิดก็คือบกพร่องไปเลยนะคะความชัดเจนคําว่าความชัดเจนยังไงก็คือไม่ ประโยคนี้ใช้สามีประยุกต์การใช้ศัพท์นี้คู่กับเมียไม่ได้ถ้าใช้สามีต่อไปไม่ใช้คำย่อหรืออักษร 5 การใช้คํานะฮะจะต้องไม่มีความหมายขัดแย้งกันความหมายจะต้องค้อยไปตามกันนะ 6 การไม่ใช้ความหมายที่ เขาเป็นคนดีเช่นเขาเป็นคนมีน้ําใจอันนี้ชัดเจนเขาเป็นคนอ่า ประโยคที่มาไก่ย่างหมดแล้วไก่ย่างหมดอ่า 2 อย่างคือ 1 อ่ะไก่นําไปย่างได้ 2 เต็มประโยคกรรมไม่ไม่ดีภาษาไทยถือว่า 154 สัก เป็นรายที่เรียกว่าศัพท์ยากนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง การไม่ใช้คำย่อหรืออักษรย่ออย่างเช่นรองนายก อปท. จะไปประชุมที่ อันนี้ก็ถือว่าครบคร่องหรือคําภาษาต่างประเทศเช่นวีดีโอก็ต้องให้ใช้ว่าวีดีทัศน์อ่าวีดีโอเทป คำทับศัพท์ได้เลยใช่มั้ยคะพูดกลางเป็นภาษาสากลนะครับแต่เราใช้ทับศัพท์นะครับค่ะเรายังไม่ได้บัญญัติศัพท์คําเช่น เพื่อนๆในห้องไม่ชอบเขาเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยคนไม่ดีนี่คือกว้างไปจะต้องชี้ชัด 188 ค่ะหน้า 188 นะครับไปดูเรื่องของประโยค ปกติท่านอาจารย์จิรายุอยากจะให้อ่าพูดเรื่องได้เพราะ ส่วนความรู้ที่มันเหมือนกับเรียกเรื่องภาษาและศิลปะข้อใน 1 ถึง 7 ข้อความแต่ละข้อที่ 1 เขา อ่าผิดความหมายมหโหลฐานแปลว่าพี่พี่รับคําสพาะไม่ใช่ 2 ครับเค้าดูทาง QV สีช่อง 9 เป็นประจําทาง ทีอธิบดีนี่เขาใช้โทรทัศน์ใช่ 3 ครับค่ะภาษา 3 ทั้งผู้ชายและสตรีมี ต้องใช้บรุษใช้บุรุษนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะตรงไหนคะนก <laughs> การนกบินเฉยครับข้อที่ 5 เขาเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าใบเขาเป็นไงคะจะบอกว่ายังไงเขาถือกระเป๋าใบใหญ่เดิน ข้อ 7 ครับหลวงพ่อคุณป่วยหนักก็นำค่ะปกครองตรงไหนคะป่วยหนักพระของข้อ 7 สามารถสอบ สอบส่วนอ่าสอบส่วนต้องใช้คําว่าตาย 8 หาอันนั้นบกพ้องข้อใดอ่ารถชนไก่ตายตีได้ ตัวไก่แล้วกันตายสำนักกกานะคะ 4 ข้อ 2 อ่าเขาเดินอ่าเขาเดินอ่าข้อ Y ว่าใดเขียนประโยคได้เหมาะสมที่สุดอ่าอันนี้อย่างกอไก่นะคะนานๆแรงจะ ในภาษาไทยอันนี้คือใช้คําผิดในนี่เป็นภูมิพจน์แต่ว่ามันใช้คํานะคะเดี๋ยวจะเขาอยู่ในชุดสีเหลืองถ้าเป็น อ่ะๆสมณต่างประเทศหมดเลยอย่างมาในในนี่ข้อ 9 หองงูดูกอนานๆ อ่าขัดแย้งกรรมขอนักศึกษาเคารพอาจารย์ผู้สอนมากผู้สอนมากดอกอาจารย์ เช้าวันนี้ฝนตกทุกที่ใจภูมิหนักมากฝนตกกับหนัก พอเป็นบักเขาจึงขาดเรียนควรแก้ไขเป็นยังว่าอ่าหรือไม่สบายก็จึงจึงเป็นมะโนใช่มั้ยคะให้บัก ให้มันยืดยาวนะคะ 12 5 นักเรียนไทยใครถูกมั้ยคะ ว่าเป็นไงเพราะเราจะต้องเรียงลักษณะนาม뒤หลังตัวเลขถ้าครับลักษณะการอ่านข่าวค่ะอ่านข่าวข่าวให้มือ เขาได้รับคัดเลือกใช่มั้ยคะอ่ะข้อขไข่บริษัทยังไม่ครบอันนี้งอ เขามีความสนใจที่ 14 ข้อใดบทข้อใดเป็นประโยคอ่าเป็นถ้าเป็น แต่ถ้าเราไปเจอหนังสือจุฬาอาจจะเจออนุโลมไม่เป็นอ่าให้ใช้คนคืนนี้อ่าเขา แต่ไม่ค่ะจ๊ะไม่ได้อ่านอกนั้นก็ถือว่าค่ะต้องใช้มาเลย์เขียนเลยนะครับครึ่งภาค 15 เพราะ 2 อย่างขอเขา ใช้หมอแล้วไปใช้ธรรมะสูงนะอ่าอันนี้เป็นไม่เหมาะสมคอฝนอ่า นี่ก็อ๋อมีคําให้หมดแล้วนะคะมีอ่ะพร้อมเหตุผลอธิบายสําหรับภาษาบุกหน้า 157 การเรียนอ่ะ 157 นะ เรามาดูการเรียงข้อความดูก่อนก่อนแล้วก็มาฝึกปฏิบัตินะถ้าเรียงประโยคข้อความได้ดีก็ ข้อความที่เขาออกมาให้เรียง 8 หรือ <ม. S 1> 15 ก็จะให้ทําสัมผัสตรงวงล็อกหรือคงสิทธิ์สภาพ 158 การเรียงๆไปแต่วันนี้จะพาชี้ๆ1 หลักข้อสอบประเภทนี้อันดับ 4 หรือ 5 ข้อนั้น 2 สรุปเป็น 3 พยายาม ถ้าเป็นประโยคประเภทเป็นประโยคประเภทนี้หรือไหนใจความมันจะอยู่ย่ออ่าค่ะค่ะ หรือถ้ามันเป็นประโยคประเภทเอ่อเอาเลือกข้อก็จะส่วนน้อยๆขึ้น แค่ตามกฎเกณฑ์เห็นก็ได้ก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าใครเก่งที่สุดที่จะไปตําจุดลำดับแรกนะคะแล้วก็ ก็จะมีเรียงจากเหตุไปหาผลนะฮะเหตุขึ้นก่อนข้อ 3 จะต้องเรียนน้อยอัน สังเคราะห์ที่ว่าจะได้คะอัศวุธขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยขยายต่อหรือจะเรียนจากบทสรุป ไม่สามารถจับลำดับตามเหตุผลที่กล่าวมานี้ท่านก็ลองอ่านกขคงดูว่าอะไรมันต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวลองทํา 1 อ่าก็จะมีข้อความมาให้นะนี่ขอที่ 1 อนุชนที่กําลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมรดกของเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า 4 เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวเพื่อ อ่าไม่ 1 2 3 ฉะนั้นอะไร 2 อ่ะ 2 เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่านี่ได้มี 2 คืออยู่กี่คือ 3 เราก็ลองอ่านดูครับ 3 ดูมันสัมพันธ์กัน เอาแบบนี้ง่ายๆดูข้อสรุปดู บรรทัดเต็มเลยว่าข้อนี้ถูกต้องแน่นอนถ้ามันไม่มี 2 หลายๆอ่ะไป 2 ดูข้อ 2 วิธีดู 2 สอน 3 ภาระ 4 การ 5 ของ อ่าหน้านี้ของไม่ได้ใช่มั้ยคะอ่ามีอะไรคะอ่าหมายเลข 4 ขึ้นก่อนที่ได้จึงรู้ว่าหมายเลข 4 การทําตนเนี่ยเป็นประธานเป็นคนเป็นคือกิริยาใช่มั้ยคะการทําตนเป็นอ่ามันก็ ของอ่ะดูในข้อ 4 กับข้อ 2 แล้ว 2 อ่าหลังจากนี้ได้ 5 แล้วก็ผ่านได้เลย 4 นะครับ 4 นะ บางขาดตรงปกร่อง 2 ยัง 3 อย่า 4 ที่มีอยู่ใน 5 ไม่ว่าอ่าก้อนสตันข้างไหนก่อน 2 อ่า 4 ล่ะที่ อ่ะระหว่างเดือน 1 กับ 3 ท่านน่าจะเอาไหนขึ้นก่อน 1 ดูนะคะความขาดตกบกพร่องข้อ 1ๆที่มีอยู่ในบ้านของ 1 นะครับอ่ะดู นั่นก็ยังเหลือ 3 ใช่มั้ยคะแล้ว 3 นั้นคือขึ้นด้วย 3 ก่อนใช่มั้ยครับค่ะมันถ้า 1 1 4 2 5 ใช่มั้ยคะแต่มันยังจะ 5 ได้มั้ยไม่ได้ฉะนั้นฉะนั้นมันก็จะขึ้นต้นด้วยการสอนเลยอย่าโกรธห้าม หน้า 3 ขึ้นก่อนเลยอย่ามองดูด้วยความพ้อใจแล้วก็เรียนความขาดปกบกพร่องอะไรอีกคะอ่าความขาดปกบกพร่องที่ แบบนี้เป็นการสอนเรื่องจากใกล้ตัวไปไกลตัวใช่มั้ยคะสรุปแล้วอ่าไม่เอา 1 ขึ้นก่อนใน เรื่องสมเด็จพระเทพอันนี้ก็หรือข่าวพระราชสำนักการเรียงลําดับจะต้องเรียงอย่างสละ ตรงนี่พัน galaxies ชั้นไว้奈มะก несколькоนւจ puede ที่หรือjarไม่ต้องมี tambour ання føดังโจร declaration Commercial calculation dezの答え иск eineربพ Alumniなん RICHARD cho muscle heartache an awareness cild perhaps k bit during Rainbow Mercy10 lymph recur my generation a woman as a team rather than Rincon. tok per on DJs Heí yet. Sec Heroй and now 감사합니다. And then wir malONE actually is me. Kluwat forward.ça It's a radical desire to pay ข่าวที่เป็นข่าวราชการกํานัดหรือภาษาที่เป็นแบบแผนพิธีการบทโดยอ่ะเราโดย ตัด 2 กับ 4 ออกเหลือ 1 กับ 3 ว่าอันอ่า 1 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แดงว่าชี้แล<บน S> 1 แล้วชี้แจงมา ธรรมนูญที่ได้ยกเวลี 1 กับ 3 แล้วอ่ะดูช้อยส์ก็ไม่ 1 ที่ตามด้วย 3, 3> ไม่มี 1 3 มีข้อเดียวก็ชัดเจนไปเลยข้อนี้ใช่มั้ยคะ 6 นะ เสี่ยงที่ 3 อย่างเจ็บค่ะ 3 ซึ่งไม่ได้ 4 ยืนอยู่นิ่งแหละอ่ะนิปัส 3 ออกไปซึ่งเหมือนใช่มั้ยคะต้องมีประโยคนําหน้า 2 ขึ้น แล ง, แล 2 และตามฤทธิ์ 2 และตามฤทธิ์ 3 เขาเคยผู้หญิงหลายคนค่ากับตานี้คือจะเรียนต่อจากสอบอ่ะ 4 ยืนยูนิ่ง อะไรคะอ่าเสียงที่ดังอย่างเสียบ บทนั้นวริยายใช่มั้ยอ่าเป็น 6 บทสนทนาเป็นเรื่องต่าง 4 ประโยคแล้วก็อ่ะเป็น 4 ค่ะดู 7 นะฮะการปกครอง ใส่ความหลักเลยใช่มั้ยคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่าง 3 ซ้ําอ่ามากไปดู 1 กับ 2 อะไรอ่า 2 เพราะการเขียนอะไรก็ตามที่นี่ 2 เป็น เรียนตามลําดับอ่านเรียงได้เลยมี 2, 2>, 2 อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีการ เดี๋ยวจะให้ใครเลยแล้วเราไปอ่านดูนะข้อ 8 ดูจะทําการสิ่งใดก็ไม่อยู่ ในเสร็จที่จะตัดสินใจยึดถือสิ่งใดเลยถ้าเนี่ยมีคีย์เวิร์ดคําว่าถ้าอีกถ้ามันจะขึ้นต้นแลแลแล 2 แล้วถ้าก็จะ <ส อง. S 1> ทางใจจากหากเราทักถามในการคิดจะ 1 พอจะนี้หรือขึ้นสรุปแล้วจะ 1 หาแลแล 1 แล้วอุปก้าวประเทศญี่ปุ่น อ่าประโยคนี้เรียงง่ายมั้ยคะอ่าง่ายเป็นประโยคบอกเล่าอะไรน่าจะเป็นประธานความเจริญด้านอุตสาหกรรมอ่าที่อยู่ใน ไม่ตรงที่เดียวมากหรอกค่ะเพราะผู้เขียนนักเค้าปรุงเรื่องมาเรียบเรียงใหม่และใส่ความคิดผิดไปด้วยลองทายดูสิ อันนี้ข้อ 2 กับข้อ 5 รองไทยรู้สึกคะน่าอ่าจะ 3 แล้วนอกนั้นก็ 2 ครับเถลิงวงเล่ม 2, 2>, 2. หาอ่านรูปต้อง บางก็ถลาลมเพราะแรงเท้าผิดด้วยชั้นจึกของเพลิงมรท่านกวัดแกว่งดาบที่คมกริบทั้ง 2 มือเข้าลุกไล่ฟันค่าสึกรวดเร็วจนมองแทบไม่ทันท่านคิดว่าครับท่านกวัดแกว่ง เมื่อถือดาบแล้วเมื่ออ่าเมื่อฆ่าศัตรูโกรเข้ามาก็ต้อง 3 ตาม ควรหยุดที่เลขน้อยแล้วก็เพื่อสรุปคนคิดว่าทุกคนมาอ่านโจทย์เมื่อความอ้าอันนี้อะไรคะน่าจะขึ้นก่อน 3 นะคะ 3 ในนี้ไม่มีช้อยส์ถูกอ่ะ 3 ก็คือ 3 แล้วก็ไป 1 ด, แล า, บ, <Okay. S> 1 แล้วก็ 2 2 ก็ไป 4 คราวนี้ท่านเขียนช้อยส์ตอบใหม่นะฮะเพราะว่าช้อยส์นี้เป็น 3 1 2 4 นะข้อ 12 ข้อ 13 อ่ะ 1, 1 นะ 2 ปรากฏ 3 ชาวสุโขทัยมี 4 มาตรวจ 5 มีถึง 5 ค่ะ เมื่อตัดออกเผื่อ 1, เม อก, 1อ 3, อ2 3 อันนั้นน่าจะขึ้นก่อน 1 2 3 4 3> 1 สมัย 3 ชาวสุโขทัยนี่ยังควร จารึกว่าพบว่างๆน่าจะเป็นประโยคต้นๆใช่มั้ยคะอ่ะเมื่อตรวจดูความเป็นภาคเป็น 5 เติมมีส่วนใหญ่ทาง 3 ค่ะอันนี้ 14 อ่าเสนาบดีกระทรวงวังอ่ะเป็นอ่ะพวกนั้น เฟสนาบดีกับสวกวันเริ่มขึ้นก่อนเลยจริงอะไรคะเป็นหัว 5 5 2 4 วงเล็บ 15 ดู 4 5 เนี่ยถ้า ถ้าสิ้นสามัคคีแล้วอะไรคะถ้าสิ้นสามัคคีเอาแล้วแล้วเผาไทย การอันนี้สิ่งสวยงามนะคะอันนี้มันเป็นบทสรุปนะคะข้อ 1 คะๆหมายมาก คะ? 3 4 ตัดกับไฟระหว่าง 1 2 อะไรน่า 2 อ่ะ ศีลในกฎหมายเต็มว่าการแลแล 2 แล้ว 4 เป็นไปที่มีขึ้นเองเป็นขึ้นเองเช่นความรู้เรื่องธรรมชาติต่างๆ1 วงลิป 5 มีข้อความต่อเนื่องให้ได้ใจตอนแรกอ่าที่ว่าทําดีดีนี้ต้องเข้า 1>, 1 2 3 4 เรียนเลยครับข้อ 4 64 นะนะครับอ่าอันนี้ดูให้ผมเข้าใจว่า 18, 18. นี้อันไหนน่ะ บรรดาของมีผ้าทั้งหลายมีบรรดาของมี 3 <c oughs> ประกอบสรุปนะคะจะ 3 3, 4, 3. <c oughs> 2 มีความหนึ่ง 2 อ่ะเรามาเรียกต่อทีนี้วิชานี้ 1, <c oughs> 1> นะต่อค่ะ 19 19 อ่ะ ไม่ว่างานนั้นๆอันนี้ก็จะไม่สามารถขึ้นกอดได้เพราะ 2 กับ 3 อัน 3 อ่ะ 3 นะความเป็น 5 นะคะ 3 กันเดียวนะ 3 กันเดียวครับ 20 ค่ะค่ะถ้าระบบ การศึกษาโบราณเลิศล้ำก็จะเป็นตัวตามไม่ 1 มี 4 มี 5 อะไรน่าจะเป็นหัวข้อใหญ่คะระบบการสร้างระบบการศึกษาของสังคมใดเป็นเช่นไรข้อที่ 2 ข้อที่ระบบการศึกษาของสังคมใดเป็นเช่นไรขึ้น 3 นะดู 21 อ่าท่านว่าอะไรน่าจะ 2 นะคะๆคือเป็นไม้พนมว่าว่าใช่มั้ย 2 ขึ้นก่อนเลย รวมราคาต่อไปก็ถามรักในคืนแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ 2 ลง 4 2 ก็มี 1 กับ 2 ถามรัก 3 4 ก็มี 1 ชนะ 1 เลยนะคะต่อครับข้อ 2 อัน ข้อความนี้จะสลับซับซ้อนจะต้องหาไฮไลท์ 2 ประโยคมีประโยคหลักที่มีเห็นคำหน้าหมด 2 การออก สามนรสทุกคนต้องประกกับอบรมการคนที่กลางก็มี 6 ต้อง 3 แล้ว 6 6 ก็ ทำไมเราทุกคนต้องออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายทําให้มี 23 จนกระทั่งเป็นไงจนกระทั่งจนกระทั่งก่อนได้มั้ยคะ ในด้านมาเป็นเรื่องสรุปข้อ 3 ข้อ 4 โครงการพัฒนาทรัพยากร 3 4 อันไหนฮะ 5 โครงการ 4 โครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติสําคัญอันดับแรกคือการแล้วอะไร 4 ขึ้นต้นมี 4 กับ 3 อะไรจะขึ้น 3 นะ 1 เลยนะคะโครงการพัฒนาอ่ะหลังจากประเทศ 3 1 4 2 ค่ะ 5 นะฮะตอนนี้เอ้า 4 พวกพวกเป็น ภายในหลักเนี่ยจงนึกไว้บ้านเนี่ยเริ่มสอนแล้ว 2 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้ออ่า ตัวพวกเป็นสัตว์ชนิดเล็กและไม่มีสติปัญญาเหมือน 1>, 1>, 1 4 แล้วไปเลยครับอ่า 4 เล็ก 4 5 นับ ภายในประเทศการขยายตัวทางสหกรรมช้าลงราคา <ine> อันนี้เกิดเหตุแล้วก็ไปหาผลนะฮะเหตุ ทางภาษานะคะความเข้าใจอะไรคือใจความสําคัญใช่มั้ยคะอ่ะราก 185 นะคะท่าน อ่านคําถามโจทย์คร่าวๆเพื่อที่จะได้พิวทคือได้วงกลมเอาไว้เลยใช่มั้ยคะข้อสอบปัจจุบันเค้าอนุญาตให้ 2 วงกลมได้เลยถ้า<ใช><ใช> เราอ่านโจทย์เลยเค้าถามว่าอะไรคะข้อ 1 ทำไมถึงกล่าวว่าวินัยมีความสำคัญ 2 การบริหารงานของประเทศจะ 3 ข้าราชการ 3 ข้อเรารู้ ข้าราชการหัดนี้ไปไหนจะเปิดประโยชน์ยังไงเราก็อ่านข้อความทีนี้มาครับให้ให้เราอ่านอ่านขาน นี่เป็นหลักเลยฮะนี่อ่าวิเคราะห์ก็จะอยู่แรกถ้าเขียนแบบนี่นี่หลักการเขียนเลยนะคะ วินายขรรั trendskan developer มีกวัสร้างต่อการฐร Ralph วิตุค และให้ให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลในการบริหารประเทศ อ่าอะไรสรุปทั้งหมดข้อปัญหาสุดท้ายเมื่อมีวินัย การปกครองมีวินัยเกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างไรในนี้มันไม่ได้บอกตรงๆใช่มั้ยคะเราต้องมาตีความเกิดยังไง ที่ทําให้เกิดสยบเกี่ยวกับประเทศอย่างไรที่คือ <ฮ. S 1> <ข อ, S 2> 3 ทําให้เกิดข้อ 5 กับ จะเลือกเอาข้อไหนครับอ่าถ้า 2 นี้ทําถ้าประเทศชาติได้ผลประโยชน์อย่างไรงานใช 2, 2> ใช่ ให้งานมีประสิทธิภาพฉะนั้นถ้าบทสรุปใหญ่ลงเลยตรงนี้ก็คือ 2 ใช่มั้ยคะก็เป็นส่วนด้อยต่อให้เกิดให 2 ใชอ่าอยู่ข้อความมารยาทของคนสร้าง สิ่งใดสําคัญที่สุดข้อความเนี้ยอ่าให้มีมารยาท 1, 1, 1> นะฮะครับเหตุดีผลดีไปดูข้อความ ทั้งความต้องการโดยตรงความต้องการโดยอ้อมความต้องการในระยะสั้นและความต้องการในระยะยาว แล้เป็นความต้องการของเขาการที่ยึดหลักการร่วมมือประสานงานย่อมเกิดผลดีกว่าและได้ สิ่งสําคัญประการแรกของการพัฒนาคืออะไรคะอันดับปัญหาของประชาชนใช่มั้ยคะอ่ะข้อถามประจำแรกเมื่อถามปัญหามีอยู่ในบรรทัดที่เท่า อันนี้ให้สรุปความนี้ให้สรุปความเขาจะไม่มีถามตรงๆใช่มั้ยคะอ่าอันนี้ก็คือต้องการอันดับแรกก็ เหตุผลสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับอ่าเหล่านี้เราต้องสรุปเลยจะไม่ได้ถามตรงๆเหมือนเป็น แก้ประธานนี่ตรงเป้าหมายเป้าไม่ตรงทิศทางเป็นมั้ยเป็นน่ะเป็นพัฒนาไม่ถึงความต้องการและอ่าปัญหาด้านต่างๆ ผมคืออ่านแล้วโดยสรุปอ่าข้อ 1 บอกเลยนะครับดูข้อสินิดนึง 2 ข้อค่ะคือใช้ภาษาเปลี่ยนไปที่ ความไม่นั่นคงในทางการเมือินมากักที่เกิดขึ้นด้วยริษาเห็นหลายประการที่สําคัญคือการแทรกซึมการยายามปุกปัยุโยงให้เกิดแตกร้าระวัยสงสัยสื้อกรกันการคอรับปชั่นซึ่งนําความให้ปอใจและความประบากแจ้าแคนประสุประชาชนนอกจากนี้ยังมีใส่่งที่สําคัญก็คือศาสนาภาษาพูดขอพันุ์ชนกลุ่มน้อยซึ่งเหล่านี้อาจทําให้ความมั่นคงทางการเมืองคลอมแพลงไปได้เช่นกัน อ่าอ่ะปุ๊บความไม่มั่นคงเกิดขึ้นจากอะไรบ้างคะ อ่าบ้านบางอุดมสมบูรณ์เชลย 2 <ไม>มาไม่มีกระดาษประชาชนทําอาชีพอย่างปกติสุขใช่มั้ยมันเมืองไม่มีภาวะสงครามใช่มั้ยไม่เลยอ่าบ้านเมืองไม่ถูกแทรกซึม ควบคุมอย่างราบรื่นมันจะคุมทุกๆข้อเลยใช่มั้ยคะมันจะเป็นใจหลักคุณก็จะเป็นข้อหนึ่งค่ะข้าราชการหมายถึงอะไรคะอ่ะข้าราชการคงเงินของทางราชการใช่มั้ยไม่ใช่ข้าราชการยก เอาเพื่อเป็นใต้ตกอ่าเป็นใต้ตกครับเป็นเงินประชาชนเพราะประชาชนเอาไปให้เองนะคะยินยอมเพื่อให้เกิดความสดวกต่อประชาชนคนกลุ่มนั้นตอนนั้น <คน S 1> อ่าต่างเชื้อชาติแต่มาอาศัย 5 นะคะสาเหตุสําคัญที่ทําให้มีกุปัน แตกรากปันปันอยู่ยงกับกลุ่มระดมมวลชนภาษาเดียวกันมั้ยคะเดียวกันใจความ 1 แตใจความอย่างใช่มั้ยคะแต่แตแตแต 15 บทความมีผลคือ อ่ามั่นคงทางการอ่าในที่ความไม่มั่นคงทางการเมืองก็คือความเป็นความภาษาก็คืออ่าแล้วในช้อยอาจจะเปลี่ยนภาษา เรื่องของ 10 11 12 แล้วที่เหลือทั้งหมด 20 2 ข้อแล้วก็จะเฉลยแล้วก็ค่ะวันนี้ 111 21 นี่เป็นเนื้อหาใช่มั้ยคะอ่าสำนวนสุภาษิตคําอําเภอสำนวนคืออะไรคะสำนวนก็ สักหน่อยเช่นพัดชีลอยหน้าถ้าพูดตรงๆก็คือทํางานเอาหน้าแต่อ่าอยู่ นะอาจจะทั้งเชิงตำหนิหรือวิจารณ์นะคําส่วนสุภาพสิทธิ์ก็จะเป็นคําสอมีคติข้อ 2 นะฮะหน้า 19 เลยครับ 359 นะเช่นพูดให้เขาเคลอ่าชัดใบให้ทั้ง 5 ตัว อ่าพูดให้เผยก็คือชัดใบให้เรือเสียดูข้อ 2 ครับวัดรอยเท้าหมายความว่าอย่าง 1 ทําตามแบบผู้ยาก 1 ข้อ 1 นะครับถูกข้อ 3 ทุบมังคาม 4 ครับอาศัยคนอื่นเขาแล้วยังทําให้เขาเดือด อ่าจึงบุรุษที่บังคับขานข้อที่ 5 คนที่เกกะระรานบัวเขาเกอ่าคือบัวเขาเกขอถูกนะครับการ ก็กระทบแล้วนะคะแล้วก็ข้อ 7 ค่ะตีหัวกับท้องค้านมันหมาย 5 ข้อ 5 ข้อ 8 เห็นเขาถีคานหามเอามือ 2 นรกเมื่อ อ่ารถเรือเมื่อยใกล้สําเร็จออกลึก 1 ค่ะเรียกเรือ 2 แถมก็คือลำเลข 2 พระ 12 เห็น 5 เห็น อ่าตอนกับที่ชอบแปลผู้อื่น 14 คนที่รู้อย่าง 5 2 ได้ให้น้ําก็ 15 เห็นพี่ดีกว่า 16 ใจไม้ไส้ระกรรม 17 พี่ ทาง 2 ค่ะ 18 คนพูดจาดีแต่คิดค่ะค่ะ 19 การ 4 เอา 20 ได้ สอนลักเลงขโมยเบื้องด้วยปากมาจากเรื่องมหัศจรรย์แผนนะฮะตอบ โอไม่ได้เนาะภูคําฝึกพบอ่ะ 23 จุดใต้กําต่ออยู่เผาหมายว่าอย่างไรเอาเรื่องของไปเล่าให้เจ้าฟังค่ะ 23 24 พล เรื่องนี้เข้าตำราผมเข้าตาตัวเองนั่นแหละหมาย pump ข้าวใดครับ Nept. รู้แต่แ strongension can make the time so that I don't like it, but I would have to cut out your head. ต้องขยังต้องสุดให้ Après The function of the second day is a public task item, which is how you그래 cover thearian tearに leadership. เงิม603 ให้เดินร้อลำคาญใจไม่ได้ยุ่มไม่ได้ยอดตรงกับ อdie the brain Being a human, talking with a human theory 第3 Welaler is he an안 Hey is the inner circle 3 ค่ะคนที่ไม่ค่อยพูดมักมีบายหรือ 5 เอาพิเศษแรกกับเกลือก็ค่ะเหมือนเดี๋ยวเหมือนกันนะ ผู้น้อยที่คอยแต่พูดตามผู้ใหญ่ 3 อ่าก็เจอเห็น 4 ตามตามผู้ 8 กินก่อนดูโขนดูหนังกิน ลงหนักการทํางานที่หนักหนามมากค่ะอ่านหนังสืออ่าศีล 3 ว่าอ่าคงเขาคงคือเนื้อใน 5 คนง่ายๆ3 ข้อ 3, 3 นะครับ 13 ดีกว่าพวกนู่นคือต้องมี 15 จะมารัก ตรงกับข้อใดคะที่ที่มีผักไส้นะคะเห็นคน 4 17 ดีลูกคิด 5 นะ 18 การเก็บความรู้สึกได้ดีเก็บความรู้สึกได้ดีตรงกับคําว่าอ่าน้ําขุ่นไม่ 19 ครับมีกับคําว่า 3 นะ 20 ดินเย็นเผาะหญ้า 5 ขาดน้ํา 21 ครับการ <นะคะ. S 2> อัลกอริทึมถูกบ่สนตายครับถูกหรือเปล่าอ่าไปไม่รู้ค่ะอ่ะ รู้มั้ยถ้าก็ได้มีประโยชน์มาก็ได้นะนั่งฝีรู้ประโยชน์ได้พอร้านได้หี ตากะดิได้น้ํานี่คือแปลว่าดีจ้ะครับการ อ่าพูดไป 2 เพียเนี่ยที่เสียตรงทองสอนมั้ยคะสอนอ่าสอน ใช้กับอ่าทุกข้อเลยใช่มั้ยคะข้อ 5 ดอกสฤทธิ์ภาษา 1 พยาตาใช้ลัทธิชาศัพท์ว่าอสันยกรรมคานิชจะอยู่ในหนังสือเก่า ประธานาธิบดีนี้จะใช้กสัญญะสัมใช่คะอ่าอันนี้จะมีอยู่ในสื่ออยู่แล้ว อสนะเผาก็เป็นกติพระชายก็เป็นกระจกกระจกพอพระปรก็เป็นหน้าที่ราชศัพท์ใช้ว่า ข้าพเจ้าเป็นภาษาที่เรียกใช้คําว่าข้าพเจ้าข้าเสียเรียนเรียนอ่าหม่อมเจ้าบาลใช้คําว่าอสินจิตตักสายนิสตาคืออ่า ทีรายสมเด็จเจ้าพระยาตาลใช้ราชันสัมบัตรอะไรหืมแก่พิเศษข้อนี้เป็นเจ้าพระยานี้ถ้าเป็นแต่ก่อนเทียบเียงเท่ากับเจ้าประเทศสราญรู้เทียบเท่ากับฉันเจ้าฟ้า เรื่องนั้นสารึกครับนะคะให้เคลียร์จนถึงหม่อมเจ้าอ่าคําลงข้อ 4 นะ 4 ข้อ 2 ครับราชศัพท์ใช้คําว่าอ่ะทะกัปปะแปล 5 อ่ะ 1 พระทะมูลแปลว่าขนบหรือแปลว่าคิ้วคิ้ว 2 พระธาตุแปล สีภานานิกาแปลว่านิ้วนานฉะนั้นอันจึงต่างกับข้ออื่นข้อ 2 นะคะ 5 11 ใต้พระมหาอโณนะผู้หลีนี้ใช้กับ นะฮะดูอ่าคร่ําวงศ์วงเล็บ 5 นี่คือใช้กับในรวมถ้าพระราชินีที่มีหน้าลงมาเท่ากับพระชนมินนะอย่าง 1 ลม โผอัสสางพพกะแปลว่าไต 5 พลลิกาแปลว่าน้ำไข่ข้อพคุปพะพกะแปลว่าตาตุ่ม 4 นะคะกรรมธรรมเป็น 4 ครับมัชฌิมานิ้วนิ้วกาว่ากลางนะครับ 15 ประบุ่งครับข้อ 5 ค่ะข้อ 6 แพทย์แพทย์อีเมลอีบุ๊กนิสสุภาพใช่มั้ยครับแพทย์กินแรงนี่ดูนิสสุภาพ 18 นะอาโรอย่าง 2 ทัพเพศะนี่ 3 พระโอสถมนก็คือ คุณเห็นเห็นคุณเห็นเรียกตาเห็นตานะครับคือทอง พระภิกษุนิฐานก็คือพระนิโก้ยพระอานนิกาคือนางนางราชนีชิอ่ะพระอังคุตไม่ลืมนะครับขอไม่อ่าพระ เล็กนะฮะอันอื่นนั้นอย่างธาตุสูงไปบ้านหมวก 2 นะ มาบนตัวเกี่ยวอ่าพระเจ้าเพทินรงลายมือลายชาสัตว์ใช้คม่าอ่า 3 ลุงพระปรมาธิไทถ้าเป็นสมเด็จพระนางเจ้าใช้คม่าพระนางมาธิไทนะคะอ่า 17 ราชาสัตว์ตายสําหรับพยุทราชฮะยุทธราชอธิบายหน่อยครับ เป็นพระบรมราชานุญาตด้วยแล้วนะฮะพระบรมคือลําดับ 1 แต่ความจริงทั้ง 2 ตําแหน่งนะฮะนี้ 2 นะครับที่กด 228 ข้าวหรืออาหารสภาพผสมใช้ลักษณนามว่าจานอา 4 จานนะคะ คำอนุแปลว่าขากังไกรส่วนภาคศีแปลว่ามากอันนั้นไม่ใช่กิริยาเป็นคํานามทั้งหมดฉะนั้นต่อ 5 เป็นลักษณะคืออะไรครับแปลว่าคนจุด 31 เคลียร์ขึ้นไม้ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังราชสารสัพพชัยถึงหม่อมเจ้านะฮะอ่า 32 ค.ศ. 1 หม่อมค่ะป้าอัยมาภาษาสุภาพใช่ป้า นามุมูลรัตนาภิภนา 63 อ่ายําเมืองเกล็ดก็คือคณะฐาน 38 ครับข้อใดใช้ข้อ 4ณส่ง ครับทำหน้ากำนันอ่าราชการตับ 4 นะครับราชศัพท์ก็แตกต่างกับเสียงอา 1 เสียงเรียกว่าพระสุรเสียงค่ะคุณนะอย่างนอกนั้นก็เป็นอายวัยวะนะคะพระองค์เจ้าตาย เขียนถึงหมายถึงประธานองค์คมตรีลงท้ายด้วยคําว่าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งนะฮะประธานองค์คมตรีคือต้นด้วยอะไรครับเมื่อ ค่ะถ้าพระสงฆ์ส่วนมรชาตใช้ล่าอะไรคะคำตัวไหนครับข้อ 2 ะ, ะ, 2 นะค่ะข้อ 3 พระสงฆ์ตายราชตใช้ล่างมรณภาพมีของตาบัวที่ตายใช้คําว่าละสังขารใช่มั้ยคะ ตามแล้วครับใช่มั้ยฮะค่ะเป็นตามพระทัพนะฮะแต่ว่าตามพระทัพแต่ ครับอ่า 5 สวรรคตครับตรงสุภาพใช้คําว่าสังขารราชศัพท์ร่างกายทั้งหมดครับอ่าถวายร่างกายทั้งหมดอ่าต้นกําเนิดเป็นต้น ถามศึกษานะครับทรงภาพสอน 4 และ 5 นะคะ 4 ได้ 2 อย่างนะครับปราญามปราอ่าพระไตรปิฎกปามัชฌะอ่าแสดง อ่าพระหม่อม 3 17 พระราชเสด็จอยู่หัวเคยเสด็จจตุรอ่าพระ 5 พระ 5 ตัวไหนน่าจะถูก 2 ของทางผอเสือนะ 2 มุก 19 ล้าน 5 สมภารสุภพันธุ์ 3 พระราชทัณฑเลขาดนัยอ่ะดนัย 4 ยิกเอพระบาทสมเด็จ 2 ดอกที่ผู้พระสังฆภาพใช้ว่าอ่ะดอกดํา กะโทเลษใช้นอนหลังพระสุภันนทสีนั่นหลายศีลหลักพระโชพระทรงตามข้อใดใช้ ถ้ากราบเป็นราชาจะทําไปแล้วจะไม่ใช่ประชุมพิจารณาประชุมพิจารณาเสวยพิจารณา ดังนั้นถ้านอนสมเด็จพระสังฆราชใช้คําว่าบรรพบรรพทุกข์ 3 ตายสําหรับพระอัครก็สรพดูต่อไปนะครับข้อ ผิดตรงไหนคะรออภรณ์เสด็จให้ใช้ 3 ผิดตรงไหนคะรอรอค่ะแล้วก็ได้ 38 พระบรมโอรสสาธุราชจุดๆอ่ารัชกาล 39 5 อ่าสงคราตจักรีสันฐานแล้วรบทักทาน 4 40 สงครามจักรราชจุดแล้วเดี๋ยวครับไป ลักษณะนามอะไรหรอนี่อ่านเลย